วิธีการเข้าถึงพุทธศาสนาหรือการหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยต้องเกิดปรากฏการณ์วิปัสสนาขึ้นกับจิตเราเองการปรากฏขึ้นของอารมณ์วิปัสสนาเนี่ยหมายถึงความก้าวหน้าทางด้านการฝึกจิตเหมือนเรา จะไปกรุงเทพนี่เรามีรถเราต้องรู้นะว่าเรามีรถรู้ว่าจิตรู้ว่าเครื่องยนต์มันเป็นยังไง ร, รู้ ว, วิธีการแก้ไขในขณะเดินทางเกิดมันเสียต้องรู้จังต้องแก้เครื่องให้เป็นด้วย ในขณะดีกันก็ต้องรู้จักเส้นทางในการเดินเวลาขับขี่ก็ขับขี่ไปด้วยความระมัดระวังเครื่องยนต์ก็ต้องมีสมรรถนะให้เคลื่อนตัวไปได้ไวและก็อย่างไม่ตะกุกตะกักหรือ ทางจิตก็คือไม่มีปรากฏการที่หลากหลายมากไปเป็นนมิตสีแสงอะไรมากเกินไปเป็นวิปัสสนาลุ้นล้วนไปมันก็ง่ายเวลาปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจมีความละเอียด คือต้องให้รู้จริงๆนะถ้าไม่รู้จริงก็อย่างว่าก็ลำบากถ้ารถมันไม่มีกำลังก็ไปไม่ถึงอายุของเราเองสั้นนี้เดียวร้อยปีเนี่ยเส้นทางนี้อาจจะเดินไม่ถึงหรือช่วระยะเวลาเจ็ดวันเราก็ไปไม่ถึงนะบางทีเกิด มัจจุราชเข้ามาพรากซะในระหว่างอะไรเกิดขึ้นในตัวเราเองในกายในจิตเนี่ยถึงกับล้มเลิกความตั้งใจหยุดไปเลยไม่เอาละถ้าเป็นพระก็คือสือการละเพศไปถ้าเป็นโยมก็เลิกล้มไม่ทำต่อ นืยนายความเพียนเวียนไปเพื่อความมากๆเหมือนเดิมไม่ใช่ใช้ธรรมะไม่อยากใช้สิขาและทําเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่เราหันไปแสวงหาทรัพสมบัติข้างนอกเป็นเครื่องเลี้ยงกายเพื่อประทังชีวิตไปนั่นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของการเวียนไหวในสังสารวัฏอยู่ดี คือไม่อาจพน้นจากเส้นทางเดิมได้ถ้าชีวิตนี้ติดหลมจมอยู่ในนิวรณ์เราทจมอยู่ในทุกข์<ม>ก็ไม่สามารถที่ออกจากนิวร์ออกจากทุกข์ได้เหมือนช้างติดหลมเหยียบขานี้ยันขานี้ขานี่ก็ลงขานี้ก็ขึ้นขึ้นก็ลงอยู่ในนั้นเราเราต้องสามารถยกตนออกจากทันหา ยกตนออกจากความไม่รู้ให้ได้แต่ความลําบากนี่ยากยากเหมือนกับที่ช้างยกตัวออกจากโคลนตมเนี่ยมันยากมากเหยียบขาหนึ่งขาหนึ่งก็จมมนุษย์เราออกจากความคิดก็เป็นแบบนั้นแหละออกจากความคิดตัวนี้กับไปเจอความคิดตัวนั้นออกจากตัวนั้นก็ไปเจอตัวนี้มันมากมายหลากหลาย เว้นไว้แต่เจะฉลาดแล้วก็มีพละกกำลังสูงศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาต้องมีสูงความรู้สึกตัวสติแปลว่าความระลึกรู้ สัมปปัญญาแปลว่าความรู้ตัวทุ่วพร้อมต้องให้เกิดมีสติความระลึกรู้แล้วสามารถดูปรากฏการทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้ไม่ไหลเข้าไปในมันดูอาการที่มันเกิดมันดับเฉยๆได้ก็เรียกว่าเรามีอุเบคาอุเบคาอุเปคาทำอุปบวกอิกขะอิฆะแปลว่าในตา อุเบกขาแปลว่าดูแปลว่าใกล้อุเบกขาทำก็หมายถึงจับตามองพยายามจับตามองดูตัวทุกข์ที่มันเกิดคือดูใกล้ๆอ่ะดูใกล้ๆเหมือนสองเงนนี้มันอยู่ข้างในเราเดินไปนมันเห็นข้างในเกิดดับยังไงอ่ะ ต้องทำแบบนั้นแต่ทำให้จิตนี้มีพลังมีพลังมากมากมากมากขึ้นจนกระทั่งว่ามันมีความรู้สึกไม่อยากหลุดพ้นแต่ความรู้สึกอยากหลุดพ้นเนี่ยมไม่เป็นสภาวะจิตที่เจือด้วยสังขาร น, นะมันอยากหลุดพ้นแบบธรรมชาติโดยการเห็นแจ้งเนี่ยไม่เหมือนกับอยากรู้ธรรมเหมือนที่เราอยากรู้เนี่ย เราอยากรู้เห็นธรรมะอยากเข้าใจอยากได้ก็เลยไม่ต้องอยากอะไรประมาณนี้อย่างที่เขาบอกมุลจิตุกมยตาญาณเนี่ยคือสภาวะที่เห็นความเป็นทุกข์เป็นภัยของสังขารความปรุงแต่งแล้วก็อยากหลุดพน้นไปแต่ไม่มีตัวสังขารเข้าไปยุ่งกับมันนะมันเป็นความอยากในสมาธิล้วนๆแล้วมันมีอำนาจพลังแข็งมาก คือเห็นความกลัวกลัวความเป็นภพเป็นชาติในจิตนี้สูงแล้วเกิดมีความรู้สึกว่าอยากรุดพ้นไปดั่นั้นสมาธิเนี่ยถ้าในน้อยไม่พอที่บอกว่าวทําทำเฉยๆเถอะทาเล่นๆไปประคองไปรู้สึกตัวไปอันนี้เป็นเบือเบ้องต้นเบื้องต้นจนกล่าวกว่าว่าเราจะสามารถสัมผัสความจริงได้ระดับหนึ่งก่อน แล้วเราจะเพิ่มความเพียรขึ้นโดยลําดับทสติสมาธิปัญญาเม่นไม่มีกําลังผม ม, มันหลุดพ้นไม่ได้หรอกมันต้องมีกําลังมากแมจ้จนมีความรู้สึกว่ามันขยะกขยแงต่อความคิดความปลุงแต่งอันนี้ดนั้นการปฏิบัติธรรมเขาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเรารู้สึกตัวรู้รูปรู้นามนี่ก็คือการฝึกสติ ให้แยกสติออกจากความคิดให้เป็นแยกสองอันนี้เป็นว่าเราจะพัฒนาอะไรเราจะปล่อยวางอะไรพัฒนาสตินั้นจะปล่อยวางความคิดความปรุงแต่งพัฒนาสติจะปล่อยวางกายไม่ยึดมั่นถรือมันในอาการกายที่ปรากฏนั่นก็หมายถึงว่า ไอ้ตัวกายานุปัสสนาเราเลยลึกรู้มากเขาว่ า, าเขาชูทั้งโนวดแล้วรู้รูปนามเพราถือว่าเป็นขั้นเตรียมเตรียมพื้นฐานทางจิตเตรียมอารมณ์กรรมฐานนะกรรมฐานที่แท้จริงเนี่ยเขานับเริ่มไปจากการเห็นความคิดเกิดนะดับด้วยอำนาจ วิปัสนาญาณคือสติสัมปชัญญะเรานี่ฝึกดีๆแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีความรู้สึกตัวก็แยกออกมาแล้ว่าออสติมันเป็นนี้นะมันทำงานมันดับความคิดเป็นแบบนี้นะนี่เขาเรียกว่ามีความรู้ขั้นปฐมภูมิปรากฏเกิดขึ้นกับจิตยังไม่เป็นวิปัสสนามากมายอะไรที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ย เหมือนเราไปหาดเรียนรู้ว่าชีวิตเรามันมีอาวุธอะไรบ้างเหมือนเราไปทำงานทำกันเขาจะสอนว่ามันมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรถ้าเราแยกกายแยกจิตแยกความคิดแยกอารมณ์เป็นโอ้เริ่มรู้ละว่ามีอาวุธอะไรมีสติมีขันติมีความปรุงแต่งมีอะไรเนี่ย เหมือนถ้าเราเรียนหนังสือแล้วก็เหมือนแยกเป็นว่าอันนี้กอไก่เนะีเขียนกอไก่เริ่มเป็นละกออากาใส่บแเวนเอ้อนะ อ, อ, อ่อานว่ากาวลุ่มนึกถึงภาพกาวเป็นยังไงกออายอกายเรื่มมองออกว่าเปกายเป็นงไงเริ่มต้นปฏิบัติทมเจริญสติให้รู้รูปนามก็คือให้รู้จักสิ้นชิ้นส่วนประกอบของชีวิตก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง แต่ให้รู้จักด้วยการฝึกสติเกิดจากการรู้แจ้งมีความทราบซึ้งในสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นให้จับรหัสมันให้ได้พอเรียนรู้ส่วนประกอบมันแล้วเนี่ยคร่าวๆเราจะเริ่มเป็นช่างเริ่มถอดชิ้นส่วนมันกลายเป็นยังไงจิตเป็นยังไง เวทนาทั้งหลายเป็นไงเวลามันเวทนาเกิดขึ้นเราถือว่าเป็นชิ้นส่วนชีวิตได้ไหมมันประกอบเข้ามาเนี่ยอันไหนเป็นจริงอันไหนเป็นเท็จเนี่ยเราน่าจะรู้จักมันคือไม่เป็หลงไปกับราการเมื่อก่อนเราไม่รู้ไม่รู้เราก็อยู่กับง่วงกับเหง า, งากับเบื่อกับนายดับพวกนี้ได้ก่อนนะดับพวกนี้ได้ก่อน ความง่วงความเหงาความเบื่อความไหนเหมือนฝุ่นตลบนะเรายังไม่ได้จอดรถเรารถวิ่งที่ผ่านมาชีวิตมันวิ่งเราจะมาจอดถอดชิ้นส่วนมันจะมาจอดซ่อมจอดอะไรเนี่ยมันทํายังไม่ได้เพราะมันวิ่งฝุ่นตลบอบอวนไปหมดมีแต่ความคิดความง่วงความเหงาความเบื่อความใดมันเป็นที่น่าสงสารนะชีวิตเป็นแบบนี้เนี่ยพระพริยาพูดกับ องคุลิมาลบว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเธอจะวิ่งเข้าไปในความคิดมากกว่านี้อีกเลยวิ่งเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรตถาคตที่หยุดนานแล้วหยุดตั้งแต่วันรู้แจ้งล้วสภาวะที่วิ่งไปในความคิดจนตลบอบอวนไปแบบเธอนี่ไม่มีวเวราวิ่งวิ่งเพื่อเอาชนะตัญหามันไม่ใช่เส้นทางมันะ่ะ เราวิ่งยังไงเราก็แพ้เดี๋ยวนี้เราต้องการเอาชนะตันหาแต่ตัวเราเองเป็นตันหาซะเองต้องการเอาชนะอวิชชาแต่ตัวเราเองก็เป็นอวิชชาซะเองคือเป็นผู้ไม่รู้ซะเองอันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะทำชีวิตเราทั้งหมดถูกไสศึกมันเข้ามามันอ้างนันอ้างนี่ไปจนหมดแล้วดังนั้น จะินสติสัมปชัญญะแยกรูปแยกนามออกจากกันให้เป็นรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงอาการในรูปนะอาจาียนบอกนะรูปนามในตัวรูปนามในกายกายนี่มีประกอบไปด้วยธาตุสีแต่ในขณะเดียวกันก็มีอาการกายเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน อาการของตาของหูจมูกลิ่นกายใจแขนขาตีนมืออาการของท้องของไส้เปลี่ยนแปลงไปตลอดผิวหนังเขาเรียกว่าอาการระรูปอาการระรูปอาการของรูปที่เปลี่ยนแปลงมียี่สิบแปดอาการในกายเนยีเป็นรูปที่มันมาอาศัยรูป ใ, ใหญ่ๆนี้ปรากฏเกิดขึ้น เราต้องมีความรู้เนะี่ยในเบื้องต้นเนี่ยสติมันต้องจับอยู่ข้างในระลึกรู้กายเคลื่อนไหวใจนึกคิดเนี่ยรู้ตัวทำต่อเนื่องให้มากๆจนกระทั่งเห็นแยกสองตัวนี้ออกแยกกายแยกจิตออกนั้นป่วยการนะที่ไปพูดถึงอดีตอนาคตเนี่ยมันมีแต่เหลือแต่กายกับจิตล้วน เดินไปเดินมาแต่ดับเสื่อมโทมซามอะไรประมาณเนี้อยู่ที่กายกับจิตเนี่ยเราเห็นกายกับจิตเป็นไปโดยธรรมชาติมันนี่ยจะไปยุ่งกับมันได้ไหมไม่ได้อยากไปจัดการอยากไปคิดถ้ามันคิดดีก็คิดดีตามมันคิดทั่วก็วไหลไปตามสังขารเกิดเจ็บแค่ได้ป่วยขึ้นมาก็หลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์ เราหลงสุขหลงทุกวันวันหนึ่งอยู่แต่กับความหลงไม่ได้อยู่กับความรู้ตัวไม่ได้อยู่ความรู้ชัดรู้แจ้งเราอยู่แต่กับความหลงนะเราบอกว่าเราไม่หลงจริงๆเราหลงหลงตลอดหล ง, วลงความคิดหลงอารมณ์หลงตัวหลงตนไม่ได้อยู่กับตัวรู้โดยสัจจะก็คือผู้รู้จิตเรามีรู้รู้ดับวาง แต่นี้มันไม่ดับมันไม่วางรู้แล้วมันเข้าไปปรงุงไปแต่งไปสำคัญบันใหม่แล้วมันก็พาเราออกไปจิตหลุดจากฐานเหมือนคนหลุดจากบ้านออกไปข้างนอกมีจะเจ็บแต่ปวดมิจะถูกหลอกถูกลวง ถ, ถูกทุกทรมานเพราะออกนอกบ้านแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านเราเลืกรู้อยู่ในบ้านเรายัางไม่หว่านไหว ยังไม่กลัวภัยก็ยังเกิดเป็นเพราะเราอยู่ในบ้านเราสามารถหลบอยู่กับปัจจุบันธรรมเป็นแต่จิตเราออกนอกปัจจุบันธรนรมแล้วอันตรายละเมื่อรู้รูปนามแยกรูปแยกนามเป็นแล้วจะใช้รูปใช้นามละเหมือนคนใช้เครื่องมือเป็นมุนน็อตอย่างนี้น็อตอันนี้เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบห้ายี่สิบเอ็ดนั่น เครื่องมือมีไม่เป็นยังไงอันนี้คุณปากตายอันนี้กุญแจเลื่อนอันนี้เป็นประแจขิมล็อกรู้จักเนะจะใช้เครื่องมือจะหมุนนอ็อตตรงไหนมันติดตัวไหนเนี่ยส่วนประกอบน็อตตั้งหลายที่ล็อกชีวิตไว้คืออุปทานขันอุปทานขันเรามีอุปทานกับธุรกิจหน้าที่การเงินการเงินเราไม่รู้จักอุปทานเราคิดว่าทานี้จะไปทำมานั้นทานั่นจะไปทำมาเนี้ อก็คือเราไปขันมันเพิ่มเข้าเขาฝึกวิธีคลายกิเลส น, นี่คลายน็อดออกคลายอุปทานขันคลายออกมาเรากับจะไปทําให้มันแน่นเขาอีกไปขันก็ไปขันเข้าไ ป, าไปอันนั้นเราก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นแต่ที่จะหยุดจะปล่อยจะวางจะละจะเลิก เราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะี่ยปัญญามันไม่พอที่จะมีพลังเห็นแบบนั้นก็กลบกลายเปน็นว่ามาปฏิบัติทําเล่นเล่ น, ลนหัวหไปวันวันพอมีประสบการณ์บ้างพอจิตมีกําลังมีกําลังพอที่อยู่ในโลกนี้ได้กับเขาไม่ได้สแสวงหามรรคผลอะไรมันก็ไม่มีกําลังพอนะเลยแล้วหมุนก็ไปหมุนแน่นเกายีก มานี้ก่บางทีก็เกิดปีติหนอ่อยก็เหมือนพอน้ามันไปใส่หัวน็อตนะเหมือนมันจะหมุนง่ายหมุนไปหมุนมาโยกไปโยกเมือมันคลายออกมาชีวิตก็จะเริ่มเบานะไม่อึดอัดกัดเคลืองอะไรเท่าไหร่แต่นี้แทนที่เราใส่น้ามันได้แล้วเนี่ยหมดเวลาพอดีเจ็ดวั น, นหมุนไม่ได้มันไม่เคลื่อนที่อะมันไม่เคลื่อนตัว ดังนันสติของเราเองเนี่ยต้องรู้จักชีวิตที่เป็นตัวก่อกาเนิดปัญหาตั้งหลายทัวปวงนะเห็นกายในกายยังไม่ชื่อเห็นต้นปัญหาแต่ว่าสติที่ผ่านการรู้กายรู้แจ้งในกายมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเวลามันดูอริยสัจคือดูนามารูปเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นมานามารูปคือความคิด มันจะเห็นชัดเจนล้วก่อนหน้านั้นคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีอะไรบ้างะจะต้องเป็นผู้มีศีลนะมันคงรวมทั้งหมดเนี่ยให้มีความปกติให้รู้จักความปกติมีศีลมีพระปกติเหมือนกับการเราปฏิบัติธรรม พอเรารู้จักอุปกรณ์ของชีวิตส่วนประกอบของชีวิตว่ามันเป็นรูปเป็นนามยังไงแล้วเราก็จะเริ่มสลดหดหูวใจภาวะที่เห็นชีวิตเฉยๆปกติแบบนี้เขาเรียกว่ารู้จักศีลนะมีศีลมีความปกติอย่าง น, น้อยเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้จักศีลของนักปฏิบัติ คนปฏิบัติธรรมเขามีศีลอะไรมีข้อวัดปฏิบัติยังไงมีข้อห้ามอะไรยังไงอะไรควรไม่ควรเหมือนเราฝึกตัวเองพาตัวเองเป็นคนป่วยคนไข้ไปโรงพยาบาลคนไข้ที่จะรักษาง่ายและ ไ, ไม่ง่ายเนี่ยดูที่ว่ารู้จักตัวเองแค่ไหนถ้าเราทั้งหลายรู้จักว่าเราเป็นคนป่วย เราก็จะมีจัญญาบันมีความรู้สึกว่าเราทําตัวเป็นยังไงอ่ะเป็นคนพูดง่ายบอกง่ายกินยาตามหมอสั่งไม่กินของที่มันแสลงนะแล้วรู้จักฝืนรู้จักฝึ ก, ร, ก, ฝกรู้จักอดทนในขณะเดีวยวกันต้องเป็นผู้ฝึกจิตนอกจากทางกายแลย้วต้องเป็นผู้ฝึกจิตนคือเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นผู้ปฏิบันเธอทำคือวางใจกับการรักษาเรื่อยๆมีความเชื่อมันไปได้คือรู้จักความปกติว่าเนี่ยคือลักษณะของคนไข้นะแล้วรู้จักหมอหมอจะรักษาเรานะอย่างเงี้ยศีลเป็นภาวะเป็นแบบนั้นนะต้องรู้จากตัวเองขึ้นมาสักน้อยหนึ่งว่าตอนนี้มาปฏิบัติธรรมนะ แล้วก็ทาหน้าที่ของตัวเองทาหน้าที่อะไรทาหน้าที่การเห็นความเห็นการทาหน้าที่นี้เขาเน้นเรื่องความบริสุทธิ์รู้จักหน้าที่ตัวเองก็รู้จักหน้าที่แบบบริสุทธิ์รู้จักตัวเองแบบบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็เห็นตัวเองเห็นรูปเห็นนามเห็นนามมารูปเห็นแบบบริสุทธิ์ คือมันไม่มีความสงสัยเนะี่ยไม่สงสัยในชีวิตนี้คือเราดูบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเห็นนามรูปมันเกิดดับมากขึ้นเห็นพลังสมาธิจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าปริสุทธโธสมาธิบริสุทธิ์กรรมมิโยเหมาะที่จะแทงทะลุนะสมาหิโตมันตั้งมั่นนะตั้งมัน่นบริสุทธิ์ บางคนมีสมาธินละ้ฝึกสมาธิแต่สมาธินะั้จมอยู่ในความง่วงความเหงาความหลับมันไม่มีพลังสมาธิปริสุทธโธบริสุทธสมาหิโตตั้งมั่นกรรมรันยโยคู่ควรเหมาะมีความคล่องตัวในการทำลายกิเลสยังย้ายถ่ายเทเคลื่อนไหวอะไรสติก็ยังอยู่สมาธิก็ยังอยู่ คือมันเหมาะนะทำงานก็เห็นกิเลสเกิดดับมันได้กินข้าวก็ดับได้ลรมตาหลับตาเป็นได้หนึ่งอันเดียวกันหมดก็เรียกว่ากรรมนิโยนี่ลักษณะลักษณะสมาธิพุทธไม่ใช่ว่าเคลื่อนไหวส้นยหลุดหายอะไรประมาณนี้มันยังไม่เป็นสมาธินะมันยังไม่ตั้งมันมันแค่สติระลึกรู้เฉยๆนิดๆหน่อยๆ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะพอจะเป็นมักนำพาจิตไปสู่ความหลุดพ้นไม่ไหม้มันทําอย่างนั้นไม่ได้รู้ตัวนิดๆหน่อยๆมันยากท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังไม่ได้อารมณ์ด้วยซ้ําไปยังติดแต่ความคิดอยู่ความปรุงแต่งอยู่บางคนก็จะเริ่มมีศรัทธาต่อพระเจ้าพระสงค์ต่อ ศรัทธาต่อคำสอนของพระศาสนาขึ้นมาระดับหนึ่งคือสติก็กําหนดรู้ได้บ้างลืมบ้างรู้บ้างลืมบ้า ง, างก็ไม่ได้หมายความว่าเราทั้งหลายจะไม่รู้แต่เราทําต่อเนื่องเรื่อยๆชีวิตนี้ภพนี้ชาตินี้ก็สามารถรู้แจ้งสัจธรรมกับเขาได้ สำคัญว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนถ้ามัวเพลินหลงในรูปหลงในกายหลงในวัยหลงในอายุหลงในทรัพย์สมบัติหลงในกำลังวังชาที่ตัวเองมีถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือจบพอดีนะเรียกว่าชามั้ไม่เป็น ใช้กายไม่เป็นมีกายต่ใช้กายไม่เป็นเราใช้กายไม่เป็นนะไม่มีวินยัยในการใช้ชีวิตเวลาชีวิตนี่แบ่งไว้เป็นเหมือนเขาอาสรมสี่นะอายุเท่านี้ไปถึงเท่านี้เป็นเด็กทำอะไรตอนกลางทำไงนะตอนอายุมากขึ้นทำยังไง ตัวไหนจะวางแผนยังไงต้นไหนจะเป็นสัญญาสีตรงไหนจะเป็นวรรณประรัตโงตอนไหนช่วงไหนจะเป็นคลืหัดช่วงไหนจะเป็นพราหมณ์เป็นบรรพชิตเราไม่ได้วางแผนแบบนั้นมีแต่ว่าจะทําแบบนี้ให้มันไปเรื่อยๆไปสู่ความร่าความรวยความเรามองไปอย่างนั้น่ะเราไม่คิดว่าชีวิตนี่แบ่งภาคไว้เลยว่าชีวิตแค่นี้ทําานี้ เหลือแค่นี้ไปทำมันนี้แค่นี้ไปทำม น, น, นู้นเมื่อวานเดินไปคุยกับโยมโยมคนหนึ่งากล่าวว่าหลวงตามีความรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมใกล้จะจบสิ้นแล้วอารมณ์กรรมฐานเขานะเขาบอกว่ามันน่าจะเหลืออีกไม่นาน กรรมาฐานเนี่ยมันน่าจะจบทั้งที่พึ่งปฏิบัติทำทําไม่นานคือยังมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้แต่คนอะไรแล้วคนทําำนานๆยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เริ่มต้นโดยซ้ำไปทั้งที่วันเวลาก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยการงานหน้าที่อะไรก็เหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนเดิมนะ แต่ความฉุกคิดความสังเกตต่างกันเราเริ่มที่เจ็ดวันเหมือนกันสิบวันเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะ่ะแต่ความในเหมือนเนี่ยมันมีความต่างอย่างที่ว่าในคนไหนรู้จักอุปกรณ์รู้จักส่วนประกอบชิ้นส่วนของความสุขความทุกข์อันไหนเป็นรู้จักคลายน็อ มันจะรู้จักนะคลายตัวอุปทานขันเป็นเนะี่ยอย่างน้อยอย่างที่ว่านะต้องรู้จักไอความรู้จักนามรูปปริจเจทยานเหมือนกับเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกข์ที่ปรากฏในกายเนี่ยมันเหมือนเห็นสัจจะตื้นตื้นขึ้นมาระดับหนึ่ง กเห็นเนี่ยมันจะเห็นต่างกันไปนะขยับไปทีละน้อยละน้อยละน้อยความรู้นี่จะเกิดขึ้นนะในวันหนึ่งนี้สามารถแยกอาการของจิตที่เกิดการรู้เห็นเนี่ยได้ตามลำดับไปเรื่อยๆมันแล้วแต่ว่าพลังสติสัมปชัญญะเราเข้มแข็งแค่ไหนถ้าสติเข้มแข็งความรู้จะปรากฏเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆ อาการของความสลดหดหูความปล่อยวางไม่ใช่ความรู้นะความรู้ไปรู้นั่นรู้นี่ไม่รู้จิตที่มันสลดหดหูรู้อาการของจิตที่มันจะปล่อยวางความคิดปล่อยวางพบวางชาติรู้จากจิตที่มันห่อเหี่ยวจะสลัดหลุดออกจากอวิชชาเนี่ยคือเห็นจิตมันมีความเข้มแข็งขึ้นนะข้างในนี่ หรือเหมือนมันเกิดการหดตัวลงนี่ความรู้อันนั้นจะทำให้จิตมันเกิดการหดตัวมีความสลโดโหนหูกับการรู้การเห็นเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าได้ความรู้อันนั้นมาได้ความรู้นั้นมันติดแล้วมันเป็นติดยานติดความรู้อันนั้นก็รู้อันนั้นรู้นี่ได้จิตมันจะเป็นวิปัสสนูถ้าติดความรู้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ติดความรู้อันนี้ แต่ทาตัวรู้นี้ให้มันมีพลังทเฉยๆให้มันต่อเนื่องอย่างน้อยๆพอรู้จักความคิดเห็นนาลมอย่างที่ว่าเนี่ยคือผ่านเป็นความรู้แบบปรมาจิตแต่ถ้ารู้รูปนามมาอยู่ทั้งถึงแต่ลักษณ์สมมุติพวกนี้ยเป็นรูปนามไม่ใช่เป็นนามรูปไม่ใช่เป็นปรมาจิต ภาวะนี้เป็นสมมุติเมื่อไดก็ตามจิตนี้เรพ้นจากความเป็นสมมุติไปได้เป็นปรมัติตเนี่ยวิปัสสนาจะเริ่มจากนั่นไปนั้นการเตรียมฐานเตรียมคนเตรียมอะไรเนี่ยเราต้องเริ่มมาจากนั้นถ้าเห็นความคิดมันเกิดบันดับอยู่เรื่อ ย, เ ร, อ ย, เ, รอยเรื่อยเนี่ยมันเหมือนเราหน่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ คนทําวิปัสนานี่ยคือต้องมีหน่วงจิตมันหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์นะหน่วงเอาความดับเป็นอารมณ์แม้เราจะไม่เห็นความเกิดก็ตามนะแต่เห็นความดับความสิ้นไปของสังขารความปรุงแต่งนะมันต้องมีนะภาว่าอเนกโดยทั้งเห็นความเข้าใจในชีวิตนั่นแหละขึ้นมาว่าอื ดูมากเขา้ามากเขา้ามากเ ข, า, า, เข า, าก็จะเกิดความหายสงสัยในชีวิตในภพในชาติหายสงสัยว่าเกิดมาทําไมเราคือใครใครคือเราชีวิตก่อนเกิดนี่มันมีไหมชีวิตหลังตายเนี่ยสงสัยไหมหลังตายแล้วมันจะไปเกิดอีกไหมเนี่ยภพนี้ภพหน้ามีไหม มันจะสังเกตเห็นนะเป็นแบบนี้เราตายไปเราต้องไปใช้กรรมไหมความสงสัยพวกนี้จะต้องถูกทํำลายในความรู้ที่หลังจากได้สติสัมปชัญญะมันจริงๆแล้วรู้รูปรู้นามรู้กายรู้จิตที่เป็นกายานุปัสสนาในเบื้องต้นเนี่ยที่พอเราเห็นจิตเห็นนามมารูป เกิดดับระดับหนึ่งเนี่ยปัญญาปรากฏเกิดขึ้นเห็นกายนี้มากขึ้นมาขึ้นก็จะเห็นแต่ความทุกข์นะปรากฏในกายเห็นความทุกข์มาในผลปรากฏในกายมากเข้ามาเขาก็จะเห็นความทุกข์ปรากฏในจิตเห็นความทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นพร้อกับการดับไปของทุกข์ที่อยู่ในระดับความสงสัยจิตเนี่ยมีความสงสัยในชีวิตอันนี้ ดันั้นความสงสัยพวกนี้จะต้องหายไปจิตมันจะต้องบริสุทธิ์นะมันจึงจะไม่หนักเวลาเรียนรู้นี่เหมือนเราเอาทุกนี้ออกเอาความสงสัยออกเอาความอยากออกเอาอะไรออกมาถึงตอนนี้นี่มันต้องไม่สงสัยเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ตายแล้วศูนย์ไหมชีวิตก่อนเกิดหลังตายมีหรือเราจะต้องรับใช้กรรมใช้อะไรยังไง มันจะต้องปึ๊งไปนะันเนียมันต้องหลุดไปนะนั้นสติในระดับที่จะรู้อันนี้ได้ไม่ใช่ไารู้สึกตัวนี้นิดหน่อยแล้วมันจะเป็นให้นะมันต้องมีกำลังมากกำลังกำลังของสมาธิกำลังของฌานเนี่ยต้องมีมากพอ กำลังของความเห็นต้องมีมากจนเข้าใจจิตเนี่ยมันถลําเข้าไปสู่เส้นทางธรรมคือจิตกับสติเนี่ยมันอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาติเลยต่อไปเนี่ยจิตกับสติสติมันจะเข้าไปดูจิตโดยธรรมชาติมันนะพอจิตขยับมันรู้ทันทีแล้วจิตมันก็จะหมอบลง มันเหมือนผู้ใหญ่เอากดหัวเด็กนีงเอามือกดหัวเด็กพอเด็กมันจะลุกขึ้นมือขมหัวมันขมหัวมันคือนับจากนั้นไปอ่ะคือมันมีกําลังมากสติอันนี่ยเดี๋ยวนี้ความคิดมีกําลังมากกว่าตัณหามีกําลังว่ามันคิดแล้วสติติดมันเหมือนรถคันใหญ่วิ่งถนนนี่ปื๊ดไปเนี่ยเรายืนอยู่ริมถนนนี่เราไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่แท่นหิน พอรถวิ่งผ่านลมมันจะดูดตัวเราเข้าไปเราเหมือนเศษกระดาษมันวิ่งผ่านเราวิ่งตามก้นไปนดีเส้นกระดาษนั้นจะปิวไปตามรถวนะิ่งวิ่งผ่านสติเราเหมือนเศษกระดาษความคิดนี่เหมือนรถสิบล้อนะวิ่งผ่านเราไปฝุ่นตลบอบอวนเลยรอบข้างเหมือนกันบรรยากาศเนี่เอื้อเฟื้อต่อการเกิดฝุ่น เวลามันวิ่งไปแต่ละครั้งซ้าทำให้เกิดลมหัวกุดลมหัวด้วนขึ้นมาเป็นพายุฤดูร้อนวุบขึ้นมาพอหัวปั่นไปเหมือนกันความคิดแต่ละครั้งที่มันวิ่งผ่านเราไปผ่านใจเนี่ยมันลากไปมดเลยอะเข้าไปอยู่นนสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีความระลึกลูกความอดความทน มันไม่อยู่อ่ะมันปลิวไปหมดมันเป็นความคิดทั้งหมดเลยเราเข้าไปอยู่ในสังขารทาั้งหมดสังขารเขามีกําลังมากมีกําลังมากฮจนะทั่งว่าปลิวไปทั้งหมดเข้าไปอยู่ในกระบวนการอันเดียวกันมันไม่มีความรู้สึกว่าเห็นแล้ดับเห็นแล้ดับซึ่งนี่คือสมาธิสมาธิ คุณบอปฏิบัติทำให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ได้หมายความว่านนง่นะแต่สมาธินี่เห็นทุกข์ที่มันขึ้นและดับเลยเห็นการเกิดดับของทุกข์เราจะสามารถเห็นมันไหมถ้าไม่ทำความรู้ต่อเนื่องมากๆเนี่ยแล้วไม่เกิดการสังเกตอยู่ใบๆมันต้องเห็นภาวะที่ดับไปนะ พอความคิดดับมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราจะเริ่มมีความรู้ว่าเออจริงๆสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันมีแค่นี้เนาะมันเกิดแล้วมันก็ดับนะมันเกิดแล้วมันก็ดับนะทำไมเราไปยุ่งกับมันมากมายชีวิตนี้เราหลงหลงเข้าไปอยู่ในนี้ถ้าคิดจิตเรามันมีอารมณ์มีความพอใจในกามฝังอยู่พอคิดปุ๊บมันก็ปรุงแต่งไปเลยไปสู่พบกามมาพบ พบภูมิคือที่อยู่ของใจไหลพิสูจอารมณ์กรมเรียกว่ากาารรมาพบไหลพิสู์รูปนะเรียกว่าอารูปประพบสิ่งที่เป็นอรูปก็คือรสกลิ่นเสียงพวกนี้มันไหลไปแล้วแต่มันจะไปอยู่กับอารมณ์แบบไหนบางทีมันก็อยู่กับรูปนะบางทีหมายถึง ติดอยู่ในสมาธิบางทีมันไม่เคลื่อนไหวเหมือนไปกดจิตแล้วจะนิ่งเป็นอรู ป, ปรพบจิตมันไปติดอยู่ในในสังขารที่เขาเรียกว่าอเนจยชาพิสังขารความไม่หวั่นไหวความจดจ่อติดอยู่ในฌานจิตแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสัจ ธ, ธรรมได้นะ เพราะมันเป็นเรื่องของสมาธิไงมันมีความดื่มด่ามากเวลามันสงบมันสงบมากเวลามันระ ง, งับมันระ ง, งับมากความคิดไม่มีไม่มีอะไ ร, อะไรเอาเลยมันหนึ่งว่างตอนต่เช้าถึงคำนิ่งจิตนิ่งจนบางทีเราหลงว่าเราบรรลุได้ซ้าไปนะใครเรียกว่าเกิดวิปัสสนาคือความคิด ในวิปัสนาเป็นความคิดความอยากความหลงเวลามันเกิดวิปัสนาขึ้นมามันจะไม่เหมือนลาคะโทสะไปทางน้นจะคนละแบบกำลังจิตจะเป็นอีแบบนึงเมื่อวานคุยกับพวกอาจารย์เขาถามเรื่องกรรมฐานแล้วเขา ตัดสินใจพวกกลุ่มอาจารย์เขาจะมาปฏิบัติธรรมเขาก็ถามเรื่องแบบนี้แหละถามเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมันก็ดีหน่อยถ้าสงสัยและนําไปสู่การปฏิบัติธรรมไต่ถามและสู่การปฏิบัติแต่ถ้าถามเพื่อเอาความรู้เล่นๆหัวหัวไปวันๆเฉยๆนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็อย่างว่านะคนถูกถามเขาต้องมีอืม ปฏิปทามีความรู้ที่สามารถแสดงชี้แจงให้เป็นที่เลื่อมใสกับเขาได้คือมีความมั่นใจว่าเอื้องพาไปได้เขาถึงอยากไปแต่ก็ไม่ได้หมายว่าพระทุกรูปหรือผู้ที่เข้าใจหรือผู้ที่พูดไม่ได้ถามไม่ได้ตอบไม่ได้จะไม่เข้าใจสัจธรรมนะเราเคยได้ยินว่าพระ ปัจเจกกับพุทธเจ้าเป็นพุท ธ, ธะนะรู้เองเห็นเองบรรลุธรรมเองแล้วก็สอนคนอื่นไม่ได้นะแต่ท่านรู้แจ้งนะข้างในนั้นเราไปหาทำบุญนมทานไปคบพระไปโน่นนี่บางทีดูปฏิปทาเอาไม่ได้หมายคาว่าเออคนนี้พูดเป็นและจะดับทุกได้บางทีก็ไม่ใช่นะรู้และสอนคนอื่นไม่ได้ก็มี แต่ไม่ได้สอนด้วยคาพูดไม่ได้มีวาทะปฏิปทาการแยกแยะเฉลีย่ยอันนั้นเป็นอย่างนั้นแจกแจงทำของย่อให้พิสดารทำพิสดารให้ย่ออะไรบางคนจะมีแค่คาพูดว่าก็ดูมันนั่นี้อะไรเกิดขึ้นก็ดูมันอนะไรเกิดขึ้นก็ดูมันช่างมันเถอะช่างมันเถอะ ไม่มีอะไรนี่เขาก็พูดแก่น์ทำแล้วนะแต่คนไม่รู้คือไม่รู้พวงเราทุกวันนี้ต้องมีความหมายอันนี้หมายความว่ายังไงมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงอยู่นั่นนะ่ะแล้วติดความรู้ไงติดผลพวงของระบบการศึกษามานั่นแต่จะให้สอนแบบเซนเนี่ยสอนไม่ได้คนปัจจุบันเนี่ยไม่มีความรู้ปานนั้น แต่ว่ายังไงก็ตามเวลาจะเกิดความเข้าใจในธรรมมันก็ต้องเป็นเซนอยู่ดีเพราะเซนก็คือวิปัสสนานะเซนไม่ใช่รูปแบบนะเป็นชื่อของปัญญาหาดูนะจิตของเราเองเราเฝ้าดูไปอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ไหนก็ตามเห็นมันอยู่บ่อยๆพลังสติสมาธิต้องเข้มแข็งขึ้นตามลำดับจนนูนแล้วเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเกิดความขยะแขยง ขยะขยแขงเราจะเห็นว่าภัยชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับความไม่รู้อันนั้นถ้าเกิดความรู้อันนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากของมนุษย์เนี่ยไม่มีความรู้ใดเท่ากับความรู้อันเนี้ถ้าไม่รู้อันนี้ชีวิตเสียหายเห็นสังขาร เห็นอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อันี่เห็นสังขารความปรุงแต่งเห็นความคิดที่มันทำงานเนี่ยเป็นภัยของชีวิตนะเป็นภัยอันใหญ่หลวงของชีวิตพอไม่รู้นี่มันปรุงทันงดีเลยมันสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาทุกขาชาติปุณณพนังถ้าปล่อยให้ความคิดนี่มันติดเนบกันบ่อยๆก็อวิชชาเนี่ย เป็นทุกข์ตลอดชีวิตเนี่ยอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนามรูปเป็นอายตนะพัสสเวทนาตัณหาอุปาทานจะเป็นพพเป็นชาติไหลไป พะเป็นภพเป็นชาติก็เป็นชาลาเป็นโมรณะโสกะปริเทวาทุกขะความทุกข์ของคนคนหนึ่งนี่คือขบวนการเพราะการไม่รู้อันนี้มันไปทันทีเลยเกิดความคิดความพรุ่งแต่งความอยากความโ่นความนี่เป็นสังขารเป็นนามลูกอายธุธะผัสสะเวทนาเกิดมีความสํำคัญวันไหมายออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายมีผัสสะมีความชอบความจัง มีความอยากในกามอยากเป็นอยากมีอยากไม่ให้เป็นอยากไม่ให้มีขึ้นมาทันดีไม่ใช่รู้เฉยๆนะเพราะอยากมากเขามัเขามีความประทับใจมีความประทับใจก็ยึดยึดติดฝังแน่นไว้ในใจเป็นอุปทานยึดติดเนี่ยยึดติดยึดติดอารมณ์นั้นมันไม่หลุดเนหะ็นไหมเราคิดอะไรแล้วมันติดอารมณ์นั้น คิดอะไรแล้วติดอารมณ์นั้นพอคิดขึ้นมาเน้นๆติดอารมณ์เขาเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคือเราติดความคิดนั่นแหละติดความอยากพอติดความคิดความอยากันไหลไปเป็นภพทีนี้เป็นภพภาวะภพภพก็คือมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในอารมณ์เราไปเสวยอารมณ์นั้นเราติดภพติดชาติแล้วอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปรายตนาภัสวิทนาตัหาอุปาทานภพ เป็นปรากฏการณ์ของทุกขั้นตอนที่เก้าเกิดจากความไม่รู้เฉยๆนี่มันุปุ๊บปุ๊บุ๊๊ไปเหมือนบันไดเนี่ยขั้นตอนที่เกเราตัดไม่ทันซะ ก, กันตามตัดขั้นที่หนึ่งก็ไม่ทันตัดขั้นที่อวิชาก็ไม่ได้เพราะสติมันน้อยตัวรู้มันน้อยจะตัดตัวสังขารปรุงแต่งก็ไม่ได้ตัดตัววิญญาณวิญญาณของการเป็นรับรู้ชอบรับรู้ก็ไม่ได้ ทีนี้มันชอบไหลไปตามอายตนะตัดตรงอายตนะเกิดที่ตาตัดทีตาที่หูตัดที่หูก็ไม่ทันนะตัดที่ผัสสะก็ไม่ได้เพราะมันมีความอยากไงตัดตรงวิธนาพอใจไม่พอใจก็ไม่ได้ตัดตรงตัณหาก็ไม่ได้ต้องพบตรงชาติชรามุรณะไปไกลมากแต่เราไม่รู้ว่ากระบวนการของความคิดหนึ่งๆเนี่ยมันเกิดเป็นชั้นเป็นชั้นมันขยับไปกว่ามันจะทํางานได้มันนานพอสมควรแต่ อวิชาของกฎมันเร็วเร็วช่วดีดนิ้วมือเดียวดีดนิ้วมือไปเดียวเนี่ย 12, สิบสองปฏิจจสมบัติสิบสองเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นเต็มที่เลยเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เท่าเทียมมันนั้นทุกข์ก็ทำงานแบบลอยนวลเหมือนเราตัวเราเองนั่นแหละคือความโง่ก้อนโง่เราดันไปเพิ่มความรู้สึก อัตาตัวตนความไม่เข้าใจในชีวิตนี่เราไปผูกมัดกับความไม่รู้อันนั้นไว้เราก็เลยอยากทำนั่นอยากทำนี่ไปเรื่อยๆทำวาอย่างหลวงพ่อเตียนท่านว่านะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆโ ย, ยโตโตทํานั่นทำนี่นนแล้วมันพาคนในบ้านเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมเราทำธุรกิจทุกการงานเราทำน้าที่เราไปเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยสุดท้ายนี่ยมันทาให้คนทั้งหลาย ที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นอริยะบุคคลได้ไหมเป็นคนพ้นทุกข์ไปได้ไหมหรืมีแต่ลกเพิ่มขึ้นมันเป็นเสย่ยงนั้นความรู้การศึกษาทั้งหลายทำให้คนเห็นถูกหมุนน็อดคลายกลับได้ไหมหมุนถอยอุปทานขันเนี่ยให้มันไม่เข้าไปในภพเนี่ย มีเขาพบในชาติชาลามรณะโซกับริเทวะทุกดับปุ๊บตัวหนึ่งมงหมุนเกิดดีแล้วเกิดดีแล้วเกิดทุกวันวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบแต่เราก็ไม่มีปัญญาเข้าไปตัดการเกิดอันนี้ได้มันเกิดบ่อยๆทุกข์าชาติบุญปณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไป ดังนั้นต้องสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นนะเห็นการเกิดขึ้นของสังขารแล้วก็เฉยกับสังขารพอเฉยกับสังขารก็จะเห็นสังขารเกิดดำไปสังขารเกิดดำก็มากเข้ามารัาสติมันจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะมันน่ากลัวน่ากลัวแต่กลัวเป็นแบบเห็นตอนนั้นมันเกิดเข็ดขยนันเหมือนตกใจเหมือนอะไรประมาณนี้แต่มันน่ากลัวว่า ไม่ีความรู้สึกว่าอยากพ้นไปจากอันนี้อยากพ้นแล้หาทางหลุดพราะยายามสังเกตดูสร้างจังหวะเบาๆด้วยความสังเกตปัญญาจะเริ่มละเอียดขึ้นตรงเนี้ไม่ใช่เดินเอาเป็นเอาตายอะไรประมนี้คือในขั้นตอนของกันที่จะสลายนิวรเ น, นี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นนะต้องเดินแบบเอาเป็นเอาตายต้องสู้ต้องอะไรประมาณเนี้ทำบ้างๆต้องเขยา่าธาตุรู้ เหมือนเลไปขัดสนิมออกจากเหล็กเนี่ยสนิมมันเยอะขัดไปขัดมาต้องขัดแรงนะกระดาษทรายใช้กระดาษทรายหยาบถูไปถูมาจนทาสนิมหยบหาบลุดออกไปกระดาษทรายละเอียดกระดาษทรายน้ำถูออกไปตากแห้งดูมันขึ้นสนิมไม่ตากน้ำต้องขัดต้องเกาเสร็จปุ๊บ ยังเข้าห้องอบอีกทางหากที่เราจะมาเคลือบมาพ่นสีเนี่ยตรงไหนมันไม่ดีมันไม่สม่ำเสมอเอาสีโป้มาใส่นะสีโป้แล้ว ก, กข็ขัดขัดด้วยกระดาษทรายน้ำขัดไปขัดมาค่อยพ่นสีรองพื้นสีจริงมาดูสังเกตดูพ่นดูเป็นเม็ดเม็ดเอาไปตากใหม่เอาใหม่ไม่ได้ เป็นฟองก็ไม่ได้แสดงว่ามีฟองอากาศต้องขัดหน้ามันแบบสม่ำเสมอจริงๆนะเรื่องจะไม่มีฟองช่างสีเขาทําอย่างนั้นจริงๆนะดังนั้นวิถีชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นแหละอาศัยการเฝ้าดูเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเกิดนิพพิธาเกิดเห็นความกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวที่เห็นความปรุงแต่งเนี่ยเป็นของแน่กลัวแล้วเห็นความรู้สึกมันต้องพ้นไปจากความรู้สึกอันนี้ ตรงนี้นี่มันจะมามีสมาธิมากมีสมาธิคือมีความปกติมากความปกติสมาธินี่มันมันไม่ได้ไม่เชสังขารอะไรนะตรงนี้เนี่ยคือไม่มีความคิดไม่มีอะไรมีแต่ตัวธรรมารมณรุนร้วนในการเห็นโอ้มันทุกข์แบบนี้เนาะเห็นนะโอ้มันหลุดเข้าไปแบบนี้นะมีแต่การเห็นกับการเห็นบางที มันมากไปอ่ะเอาจิตไปสะกดมันนิ่งเลยมันดับไปหมดเลยนิ่งไม่ทำงานจนกรทั้งบางทีเราดูว่าเราหลุดพ้นเราเข้าข้างตัวเองบางทีเออกูหลุดพ้นได้แล้วมันไม่เกิดอะไรแล้วหลงนะหลงว่าเราใกล้ๆหลุดพ้นใกล้ๆดับทุกขุกมันไม่เกิดอีกแล้วจริงๆเราไม่รู้ว่าเราข่มด้วยอำนาจสมาธิเหมือนคนที่ถาม นะเพราะว่าทุกข์มันไม่เกิดอีกเลยเนี่ยมันนิ่งมันดับไปเลยเนี่ยเหมือนมันจะดับทุกข์ได้แล้วน่าจะเหลือไม่เยอะอะไเราไม่รู้กระบวนการการเกิดมันเราก็เลยหลงบางทีมีความเอื่อบีบ ม, มีความสุขมากนะมีความสุขสบายเราก็คิดว่าเราไม่ทุกข์แล้ว มันเข้าไปอยู่ในอารมณ์เวลาดับมันก็ดับมากเวลามันรู้มันก็รู้รู้หมดใส่หมดพุงหมดเปลกเปลือกจทั้งว่าทำยังไงปฏิบัติทำจนกรทั้งว่าไอความรู้ทั้งหมดที่ขยับไปเรื่อยๆความรู้ที่จะสิ้นทุกเนี่ยมันจบมันจบนะเขาเรียกว่าตัดสรู้จบการรู้อเนี้ยไม่ได้ประมาทนะ ถ้าทำเนี่ยว่ามันเป็นของยากมันยากจริงๆนะยากจริงๆสำหรับคนผ่านแต่ถ้าเราพัฒนาตัวเองมาเป็นบัณฑิตเราพอจะเห็นอารมณ์มันเกิดมันดับได้เรื่อยๆในอึ้งเรามีสิทธิ์เดินทางไปทางนี้ได้เรามีสิทธิ์นะ ที่จะรู้แจ้งประจักษ์แจ้งในจิตโหจริงๆสิ่งที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเห็นสัจจะในจิตเห็นอริยสัจนะความรู้สึกตัวนี้เราเห็นจิตแต่ว่าไอ้ความรู้นี่มันละเอียดลงละเอียดล ง, ล ะ, ด ล, งละเอียดลงตามลำดับคือมันลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆจนรู้แจ้งว่าอะไร คือการเพิ่มเติมอะไรคือการที่จะส่งเสริมให้สติสัมปชัญญะมันจเจริญเติบโตได้ได้ต่อเนื่องเห็นละไปทางไหนเนี่ยทํายังไงดูกระทั้งว่าเกิดความเหนื่อยหน่เกิดอะไรมีความมั่นใจว่าไอ้ความเหนื่อยหน่ความอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าผิดทางมันเป็นทางชัดเจน เกิดความเหนื่อยหนนะ่ายหนักเข้านะักเข้าเห็นมาเห็นภาวะที่จะหลุดพ้นเนี่ยดับเรื่อยๆมาก็เฉยกับมันเห็นมาก็เฉยกับมันเห็นมันจู่ๆมันก็จะเกิดภาวะญาณทัศนะเกิดญาดณทัศนะเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาแบบถล่มทลายาเกิดความอย่างรู้ ว่าจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติอีกแล้วมันจบแล้วกนะารทำลายภพชาติที่ปรากฏในจิตเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นี่นี่เขาเรียกว่าความเกิดเป็นความเกิดครั้งสุดท้ายตัดความคิดเนี่ยตัดครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เองหลังจากนั้นไม่ได้ทำอีกเลยมันไม่มีคนต่อสู้แล้วไม่มีศัตรูไม่มีนะทม มันเป็นธรรมชาติไปหมดนะคือเกิดการสับประยุกต์เกิดปรากฏการณ์ที่จะต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าไปทำลายต้องการชำระล้างใจเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือภาวะแบบนั้นนี่คือปรากฏการณ์ทวนความละเอียดลึกๆจริงๆเนี่ยเราไปสังเกต ด, ดูในใจเรา มาที่นี่บุคคลไหนวิ่งเร็วก็ไปได้ไกลคนไหนวิ่งช้าคอยต้องบอกไอ้ยาทํำยังงั้นได้หยุดอันนี้แหละอะไรประมาณนั้นก็อยากบางคนเดินทางได้แต่เดินไปติดความสุขสุขจนจะสําลักความสุขสุขในสมาธิสุขในการปฏิบัติทําสุขจากการเบาเนื้อเบาตวัวเบากายเบาจิตเนี่ยมันสุขมากกว่าทั้งโลกมีเงิน ม, มีทองเป็นหมื่นหมื่นล้าน สุขจนไม่รู้จะว่าอย่างไงจนบางทีเออบีมจนไม่อยากทำอะไรเขาเรียกสุขในฌานคนหลงนะคนหลงดังนั้นต้องมีการสังเกตการระมัดระวัง แต่เขทดสอบที่ตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นจริงไหมถ้ามันไม่รู้ว่าเออการรู้เนี่ยเป็นรู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะการดับภพแบบชาติเนี่ยมันก็ต้องทําต่อไปอีกแหละทั้งศาสนานี้คําสอนที่สอนให้คนพ้นทุกเนี่ยต้องถือว่าเป็นโชคมหาศาลที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้รับรู้เรื่องราวอันนี้ได้บอกเราที่ยังหลับ ไหลยอยู่เนี่ยให้ตื่นตื่นจากความหลงอยู่กับรูปกับน้ากับอาการอันนี้กับตำแหน่งหน้าที่การงานกับความเพลิดเพลินความอะไรต่างเนี่ยเราหลงนะเราไม่ตื่นเลยเนะี่ยชีวิตเนี่ยพอไปทางนี้รีบตื่นซะรีบตื่นซะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมั่นใจเหรือว่าชีวิตเนี่ยเราจะตื่นใดทั้งหมดเนี่ย เราจะตื่นจากทุกได้ทั้งหมดเนี่ยเรามั่นใจหรือมันไม่มั่นใจนะนะเราอาจจะตายแล้วตายอีกจมอยู่ในภพในชาติอันนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าว่าแต่คนไม่ศรัทธามาเลยแม้แต่คนศรัทธามากๆมาเนี่ยบางทีไปแล้วมันทำไม่ได้บางทีความอยากมากกว่ายิ่งมาปฏิบัติธได้หลายๆคนนี่มันกดดัน มันกดดันตัวเอ ง, วมมองวกวไม่ได้อย่างคนนั้นกลกดไม่ได้อย่างคนนี้มันยากลำบากนะดังนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมในมีความอุตสาหะมุมมะนะวิริยะระดับหนึ่งสติมันก็เกิดง่ายส่วนจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความละเอียดของเราเองการศึกษาอย่างที่ว่านะ สิ้นจบก็คือจบเมื่อเราทําลายภพชาติได้เมื่อเกิดการทําลายภพชาติสิ้นนั่นแหละสิ้นทุกอุปท า, านขันนี่เหมือนน็อตเนี่ยมงหลังคาเนี่ยเมื่อเราเข้าเชื่อมติดไว้เนี่ยมันจะติดเราถอดน็อตได้ทั้งหมดเนี่ยหลังคาเนี่ยจะพังทลายลงมากองอยู่กับพื้นน่ยไม่เป็นอะไรแล้วเป็นเสาเป็นคือเป็นจันทน์เป็นหลังคาเป็น มุกเป็นพื้นเป็นมันเป็นโดยธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นส า, าลานะคาว่าสาลาจะถูกหายไปเมื่ อ, อไใดก็ตามที่เราถอดอุปทานขันหลุดพาะออกไปได้รู้แจ้งเมื่อนั้นความเป็นกูของกูจะหลุดหายเหลือแต่ธรรมชาติเท่านั้นเองเหลือแต่ธรรมชาติมันเกิดดับชีวิตหนึ่งอย่างน้อยๆนีน่ควรจะได้รับรางวัลนะอย่างน้อยคือข้าม ความเป็นปุตุชนให้ได้ข้ามพ้นห่วงแห่งชีวิตความเป็นปุตุชนไปสู่ความเป็นอริยะให้ได้เป็นอริยะชนให้ได้คือต้องมีจิตที่หน่วงนําเอานิพ v านมาเป็นอารมณ์วันวนหนึ่งอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ให้ได้ทําให้มันต่อเนื่องให้ได้จนถ้าว่าเออรู้สึกว่ามันต่อเนื่องเองเองนาะวันวันหนึ่งก็ได้อารมณ์ไม่ยาก คือสามารถเข้าฌานออกฌานได้ง่ายมีความโล่งความโปร่งขึ้นมาสามารถไปเห็นสิ่งที่มันเป็นเพียงควันเป็นเพียงความอยากในน้อยขึ้นมาในจิตนะเาเรียกว่าเป็นอาสวะธรรมคือให้ไปเห็นมันให้ได้ให้เหลืออย่างแค่นั้นก็ยังดีพวกทุกข์จบหยาบนี่เอาออกซะ ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติล้วท่านทำดีก็เป็นบุญกับพระศาสนาผู้วมวลนตมาภาพก็ทำหน้าที่ไปตามที่ควรจะเป็นปีใหม่วันนี้วันที่5มกราคมปี2556 คนไหนที่ตั้งใจปฏิบัติใส่ใจกับการตรึกษาใส่ใช้กับสุตตะการได้ยินได้ฟังท่านอาจจะเกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญาถ้าท่านคิดตามเข้าใจท่านก็อาจจะเกิดจินตามัจปัญญาก็คือความรู้ที่เกิดจากการคิดตามพินิษพิจารณาตามหรือไม่บางท่านเฝ้ามอง กายมองจิตอบรมกายอบรมจิตจเจริญภาวนาได้ต่อเนื่องก็จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์แจ้งสัจจะที่เกิดจากการเจริญภาวนาภาวนามยะปัญญาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตในการปรงชีวิตในการตัดสินใจอื ที่จะให้ชีวิตเนี่ยมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขจะตัดสินใจที่จะปล่อยวางหรือยึดติดอะไรปวะมมันเป็นความรู้ที่จำเป็นมากสําหรับมนุษย์เนี่ยถ้าคนไหนมีมีความรู้เรารู้เรื่องราวของชีวิตจริงๆคนนั้นก็จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ความรู้ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดับทุกข์เนี่ยได้จากการเจริญสติปัฏฐานสติสัมปัญะเนี่ยแล้วเป็นความรู้ที่มองด้านในแล้วเราจะรู้จักเรื่องของอริยสัจของชีวิตอาจจะไม่มากมายอะไรเนยเพียงชั่วแค่รู้พอหยุดสังขารก็เอาละหยุดอุปทานหยุดตัณหาหยุดอวิชชาความรู้น้อยๆแหลมคมแทงทะลุเนี่ย มันก็จะทําให้สิ้นการเกิดได้เงินหมายถึงว่าเราได้ทําเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์สิ้นสุดแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายมาเป็นผู้รับพระสงฆ์องคเจ้าเป็นผู้ให้ผู้ให้นีเนี่ยไม่ใช่ผู้รับเขาเรียกว่าให้ธรรมทานเนี่ย ถ้าพูดไปแล้วยันเรามาปฏิบัติทำเป็นคนยากจนมากมายนะพระสงฆ์กัเจ้าปฏิบัติที่ทาความเข้าใจมีประสบการณ์โน่นนี่เป็นผู้ให้ให้ธรรมทานให้ธรรมทานเลิศกว่ากันให้สิ่งทั้งบวงนะฮะสัพรพทานังธรรมทานังชินาติสัพพรสังธรรมละโสฟังอริยสัจเจะธรรมในภาวะที่เรามีเราเป็นมีความเข้าใจเนี่ยเราถือว่า มันเป็นรสชาติชีวิตนะที่หาศึกษาได้ยากจริงแเราได้ฟังเสียงแห่งความเงียบเสียงของสติของสมาธิของปัญญาเสียงของจิตที่มันพูดมันคุยกันมันอะไรอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเสียงแห่งความสงบได้นั่นแหละเป็นสุดยอดของการปฏิบัติธรรมสงบจากกิเลส ท่านทั้งหลายได้ประสบพเบเห็นสัจจะสภาวะนะั่นเป็นเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ที่พระพุทธองค์สมมาสมบุิยาดตัดไว้ดีแล้วนั้นุูประการด้วยกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้นะมุทนานะ